คุณกะยักษ์ครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าแม้ถ้าพระองค์ทรงชนะข้าพระองค์ด้วยการพนันก่อนข้าพระองค์จกถวายแก้วมณีนี้แต่หากข้าพระองค์ชนะพระองค์จะประทานอะไรแก่ข้าพระองค์เล่าพระเจ้าธ น, นชัยตรัสว่าแน่พ่อ ยกเว้นตัวของเราและสเวตฉัตรกับพระมเหสีเสียของที่เหลือซึ่งเป็นของของเราจะเป็นเดิมพันสำหรับท่านปุณกะยักษ์ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพถ้าอย่างนั้นพระองค์อย่าชักช้าเลยเพราะข้าพระองค์มาแต่ไกลโปรดให้จัดแจงโรงการพนันเสียเถิดพระราชารับสั่งให้พวกอมาธจัดแจงแล้ว อมาตเหล่านั้นจัดแจงโรงเล่นการพนันโดยเร็วปูพระที่นั่งด้วยเครื่องลาดอันวิจิตรงดงามสำหรับพระราชาตกแต่งอาสนะถวายพระราชาที่เหลือและตกแต่งอาสนะอันสมควรแก่ปุณกกะยักษ์เสร็จแล้วกราบบังคมทูลกำหนดการแด่พระราชาลำดับนั้นปุณกกะยักษ์ได้กราบทูลพระราชาด้วยคาถาว่า ข้าแต่พระราชากรรมในโรงเล่นการพนันสำเร็จแล้วเชิญพระองค์เสด็จไปทรงเล่นสกาแก้วมณีเช่นนี้ของพระองค์ไม่มีเราพึงชนะกันโดยธรรมอย่าชนะกันโดยไม่ชอบธรรมถ้าข้าพระองค์จักชนะพระองค์ไซขอพระองค์อย่าได้ทรงทาให้เนิ่นช้าคำเป็นคาถานั้นมีอธิบายว่าข้าแต่มหาราชเจ้า กรรมในโรงการพานันเข้าถึงแล้วคือสําเร็จแล้วแก้วมณีเช่นนี้ไม่มีแก่พระองค์ขอพระองค์อย่าได้ทรงทำให้เนิ่นช้าคำว่าเสด็จไปทรงเล่นสกาอุปเปหิลักขังความว่าขอพระองค์จงทรงเข้าไปสู่โรงการพานันอันเป็นสถานที่เล่นด้วยสกาทั้งหลายและเมื่อเล่นเราทั้งหลายพึงชนะกันโดยชอบธรรมเท่านั้น ความชนะจงมีแก่เราทั้งหลายโดยทำเท่านั้นคือโดยสงบเถิดก็ถ้าข้าพระองค์พึงชนะ้ายเมื่อเป็นเช่นนี้ขอพระองค์อย่าได้ทรงทาให้เนิ่นช้าคือพระองค์ไม่พึงกระทาให้ชักช้าพึงให้ซัพที่ข้าพระองค์ชนะและ่ลำดับนั้นพระราชาจึงตรัสกับปุณกะยักษ์นั้นว่าแนมนพ ท่านอย่า ก, กลัวเราว่าเป็นพระราชาชัยชนะหรือปราชัยของพวกเราจักมีโดยธรรมเท่านั้นจักมีโดยสงบปุณกะยักษ์ได้สดับดังนั้นจึงกล่าวว่าขอพระองค์ทั้งหลายจงทรงทราบความชนะและความแพ้ของเราทั้งสองก็โดยธรรมเท่านั้นเมื่อจะกระทำพระราชาเหล่านั้นให้เป็นพยานจึงกล่าวคาถาว่า ข้าแต่พระสุรเสนปัญจลราชผู้ปรากฏพระเจ้ามัชราชและพระเจ้ามัทราชทั้งพระเจ้าเกกราชพร้อมด้วยชาวเกกะชนบทขอจงทอดพระเนตรข้าพระเจ้าทั้งสองจะสู้กันด้วยการไม่คดโกงกษัตริย์ก็ดีพรามก็ดีไม่ได้ทำศัก ข, ขีพยานไว้แล้วย่อมไม่ทำกิจอะไรๆในที่ประชุมอุณกะยักษ เรียกพระเจ้าปัญจาราชนั่นแหลว่าปัจจุคตาผู้ปรากฏในคาถานั้นเพราะเป็นผู้เลื่องลือผู้เลื่องชื่อคือผู้ปรากฏคำว่าพระเจ้ามัชราชมัชชาจะได้แก่ข้าแต่พระสหายก็พระองค์เป็นพระราชาในมัชชรัชคำว่าพระเจ้ามัทธราชมัทธาได้แก่ ข้าแต่พระเจ้ามัทราชคำว่าพร้อมด้วยชาวเกกกะชนบทสหเกกะเกพิความว่าข้าแต่พระเจ้าวัตมาณเกกราชพระองค์พร้อมด้วยชาวชนบทชื่อเกกะอีกอย่างหนึ่งบัณฑิตวางสหสัพท์ไว้หลังคําว่าเกกะเกพิและกระทําศัพท์ว่าปัจจุคตะ ให้เป็นคำวิเศษณะของคำว่าสุรเสณและพื้นทราบความในคาถานี้อย่างนี้ว่าพระเจ้าสุรเสมัชชะผู้ปรากฏในแคว้นปัญจาระและพระเจ้ามัทถะและพระราชาที่เหลือพร้อมด้วยชาวชนบทชื่อว่าเกกะข้อว่าขอจงโทษพระเนรข้าพเจ้าทั้งสองปัสสันตุโนเต ความว่าขอพระราชาเหล่านั้นจงทอดพระเนตรการต่อสู้กันเป็นคะแนนโดยการไม่คดโกงของเราทั้งสองคำ ว, ว่าโนในข้อว่านะโนสภายังกรลลติกันจิกษัตริก็ดีพรามก็ดีไม่ได้ทำศักขี์พยานไว้แล้วย่อมไม่ทำกิจอะไรอะไรในที่ประชุมนี้เป็นเพียงนิบาท ความว่ากษัตริย์ทั้งหลายก็ดีพรามทั้งหลายก็ดีไม่กระทำใครๆให้เป็นพยานในที่ประชุมย่อมไม่กระทำเพราะฉะนั้นปุณญกะยักษ์เสนาบดีจึงได้กระทำพวกพระราชาให้เป็นพยานอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจะไม่ได้เพื่อจะกล่าวว่าเหตุอันไม่สมควรอะไรย่อมเกิดขึ้นพวกเราไม่ได้ยินพวกเราไม่ได้เห็น พวกท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดลำดับนั้นพระเจ้าธนัญชัยโกรับพยราชมีพระราชาหนึ่งรหนึ่งพระองค์แวดล้อมเป็นบริวารทรงพาปุณกกะยักษเด็จเข้าสู่โรงเล่นการพนันพระราชาแม้ทั้งหมดและปุณกกะยักษต่างก็ประทับนั่งและนั่งบนอาสนะอันสมควรแล้ว เจ้าพนักงานก็ยกกระดานสกาที่ทำด้วยเงินและลูกบาทที่ทำด้วยทองมาตั้งลงในท่ามกลางฝ่ายปุณกะยักษ์ได้เร่งร้ากราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าช่องตารางสกาทั้งหลายจัดเป็น24สบสี่ช่องมีชื่อว่ามาลีสาวดีพหุละและสันติพัทระเป็นต้น ในช่องเหล่านั้นขอพระองค์ทรงเลือกเอาช่องที่ชอบพระไทยของพระองค์เถิดพระราชาตรัสว่าดีละแล้วทรงถือเอาช่องที่ชื่อว่าพหุละปุญญกะยักษ์ถือเอาช่องที่ชื่อว่าสาวดีทีนั้นพระราชาตรัสกับปุญญกะยักษ์ว่าท่านมานพถ้ากระนั้นท่านจงทอดลูกบาตก่อนปุญญกะยักษ์กราบทูลว่า ข้าแต่มหาราชเจ้าวาระที่ข้าพระองค์จะทอดยังไม่ถึงขอพระองค์ทรงทอดก่อนเถิดพระเจ้าค่าพระราชาทรงรับว่าดีละก็อารักขเทวดาที่เคยเป็นพระชนนีของเท้าเธอในอัตภาพที่สามีอยู่พระราชาทรงชนะการพานันพระอนุภาพแห่งอารักขเทวดานั้น อารักขาเทวดานั้นได้สถิตยอยู่ในที่ใกล้แห่งพระราชานั้นพระราชาทรงระลึกถึงนางเทพธิดานั้นเมื่อจะทรงขับเพลงสกาจึงตรัสพระคาถาว่าข้าแต่มารดาขอมารดาจงดูแลข้าพเจ้าด้วยโปรดช่วยให้ความชนะปรากฏแก่ข้าพเจ้าข้าแต่มารดาขอมารดาจงช่วยอนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้า ความชนะมากจะมีแก่ข้าพเจ้าลูกบาททำด้วยทองชมพูนุดช่องสี่เหลี่ยมจตุรัสกว้างและยาวแปดนิ้วรุ่งเรืองอยู่ในถามกลางบริษัทดุดแก้วมณีมีรัสมีสว่างสวยัยที่ข้าพเจ้าจะทอดลงณบัดนี้ขอให้พลิกขึ้นตามใจหวังข้าแต่เทวดาจงให้ความชนะแก่ข้าพเจ้า จงเห็นแก่ข้าพเจ้าผู้มีโภคะสมบัติน้อยอันคนที่มารดาคอยช่วยอนุเคราะห์อยู่แล้วย่อมจะพบแต่ความจเจริญทุกเมื่อลูกบาสกาชื่อมารีท่านกล่าวว่ามีแปดแต้มลูกบาสกาชื่อสาวดีท่านกล่าวว่ามีหกแต้มลูกบาสกาชื่อพหุละทราบว่ามีสี่แต้มลูกบาสกาชื่อสันติพัทระ ทราบว่ามีสองแต้มและกระดานสกานั้นท่านผู้รู้ประกาศว่ามี24ตาพระราชาครั้นทรงขับเพลงสกาแล้วทรงพลิกลูกบาศด้วยพระหัตโยนขึ้นไปในอากาศด้วยอนุภาพแห่งปุณกกะยักษ์ลูกบาศจะยังพระราชาให้ปราชัยย่อมตกลงไม่ดีพระราชาทรงฉลาดในศิลปสาศสกา เมื่อทราบว่าลูกบาทหมุนตกลงจะทำพระองค์ให้ปราชัยทรงรับไว้เสียก่อนในอากาศทรงจับโยนขึ้นไปใหม่ในอากาศแม้ครั้งที่สองก็ทรงทราบว่าลูกบาทตกลงจะทำให้พระองค์ปราชัยจึงทรงรับไว้อย่างนั้นเหมือนกันลำดับนั้นอุทกะยักษ์ดำริว่าพระราชาองค์นี้เล่นส ก, กากับยักษ์ผู้เช่นเรา ยังมายื่นมือรับลูกบาศกอันกําลังตกลงไว้ได้นี่เพราะเหตุอะไรหนอเมื่อทราบว่าเพราะอนุภาพของอารักขเทวดาแล้วจึงถลึงตาดูอารักขเทวดานั้นแสดงดุดดังว่าโกรธอารักขเทวดาพอปุญญกะยักษ์เพ่งดูเท่านั้นก็สะดุ้งกลัววิ่งหนีไปถึงที่สุดเขาจักรวาลได้ยืนแอบตัวสันอยู่ พระราชาทรงโยนลูกบาตรขึ้นไปครั้งที่สามแม้จะทรงทราบว่าลูกบาตรตกลงแล้วจะทำพระองค์ให้ปราชัยก็หาสามารถจะทรงเหยียดพระหัตออกรับไว้ได้ไม่เพราะอนุภาพแห่งปุณกกะยักษ์ลูกบาตรนั้นตกลงไม่ดีทำพระราชาให้ปราชัยลําดับนั้นปุณกกะยักษ์ทราบว่าเท้าเธอทรงปราชัย มีใจยินดีตบมือหัวเราะด้วยเสียงอันดังสามครั้งว่าข้าพเจ้าชนะแล้วข้าพเจ้าชนะแล้วเสียงนั้นได้แผ่ไปทั่วชมพูทวีป พ, พระศาสดาเมื่อทรงประกาศความนั้นจึงตรัสพระคาถาว่าพระราชาของชาวกุรุรัตและปุญญกะยักษ์มัวเมาในการเล่นการพนันเข้าไปสู่โรงเล่นการพนันแล้ว พระราชาทรงเลือกได้ลูกบาศกที่มีโทษทรงปราชัยส่วนปุณกะยักษชนะพระราชาและปุณกะยักษทั้งสองนั้นเมื่อเจ้าพนักงานเอาคะแนนมารวมพร้อมแล้วได้เล่นการพนันกันอยู่ในโรงพนันนั้นปุณกะยักษได้ชัยชนะพระราชาผู้กแกล้วกล้าประเสริฐกว่านรชน ท่ามกลางพระราชาหนึ่งรหนึ่งพระองค์และพยานที่เหลือเสียงบรรเลือลั่นได้มีขึ้นในสนามพนันนั้นสามครั้งบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเข้าไปสู่โรงเล่นการพนันแล้วปาวิสุงได้แก่เข้าไปในโรงพนันคำว่าทรงเลือกวิจินังความว่าพระราชาทรงเลือกในย4สิบสี่ช่อง ได้ยึดในช่องที่มีโทษคือยึดเอาทางปราชัยคําว่าช่องชนะกะตะมัคคหิได้แก่ส่วนปุญญกะยักษ์ยึดเอาชัยชนะข้อว่าพระราชาและปุญญกะยักษ์ทั้งสองนั้นเมื่อเจ้าพนักงานเอาคะแนนมาพร้อมแล้วในโรงพนันนั้นเตตัทธชูเตอุพโยสมาคเตความว่า พระราชากับปุณกะยักษ์ทั้งสองนั้นเมื่อเจ้าพนักงานเอาคะแนนมาพร้อมกันในโรงเล่นการพนันนั้นท่านทั้งสองได้เล่นการพนันแล้วคำว่าพระราชาหนึ่งร้อยหนึ่งพระองค์รันยังความว่าครั้นปุณกะยักษ์นั้นชนะพระราชาผู้กล้วกล้าประเสริฐกวานรชนต่อหน้าพระราชาหนึ่งร้อยหนึ่งพระองค์ และท่ามกลางท่านผู้เป็นสักขีพยานที่เหลือข้อว่าเสียงบรรอลั่นได้มีขึ้นในสนามพนันนั้นสามครั้งตัับปนาโทตุมุโลภะภูวะความว่าเสียงบรรอลั่นได้มีขึ้นในโรงพนันนั้นสามครั้งว่าขอท่านทั้งหลายจงทราบความที่พระราชาทรงปราใช้แล้วข้าพรเจ้าชนะแล้วข้าพเจ้าชนะแล้ว พระราชาครั้นทรงปราชัยแล้วทรงเสียพระไทยลำดับนั้นปุณกะยักษ์เมื่อจะปลอบโยนเท้าเธอให้เบาพระไทยจึงทูลเป็นคาถาว่าข้าแต่พระมหาราชาในเราทั้งสองผู้พยายามเล่นการพนันความชนะและความแพ้ย่อมมีแก่คนใดคนหนึ่งข้าแต่พระจอมชนพระองค์เป็นผู้เสื่อมแล้วจากทรัพย์อันประเสริฐ ข้าพระองค์ชนะแล้วขอพระองค์จงพระราชทานเร็วๆเถิดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าในเราทั้งสองผู้พยายามเล่นการพนันอายุหตังความว่าบรรดาเราทั้งสองผู้พยายามเล่นการพนันความชนะและความแพ้ย่อมมีแก่คนใดคนหนึ่งเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านอย่าคิดว่าเราเป็นผู้แพ้แล้ว คำว่าพระองค์เป็นผู้เสื่อมแล้วชินโนสิความว่าท่านเป็นผู้เสื่อมสิ้นแล้วคำว่าจากทรัพย์อันประเสริฐวรันทะเนนะได้แก่จากทรัพย์ที่ดีคำว่าขอพระองค์จงพระราชทานเร็วๆเถิเดขิปะมะวาการโรหิความว่าขอพระองค์โปรดพระราชทานทรัพย์ สำหรับเป็นข้าชัยชนะโดยฉับพลันเถิดลำดับนั้นพระราชาเมื่อจะตรัสกะบุญกะยักษ์ว่าจงรับเอาสิพ่อจึงตรัสพระคาถาว่าท่านกัจจานะช้างมา้าโคแก้วมณีกุณฑลและแก้วอันประเสริฐกว่าทรัพย์ทั้งหลายมีอยู่ในแผ่นดินของเราท่านจงรับเอาเถิด เชิญขนเอาไปตามปรารถนาเถิดคุณกะยักษ์ทูลว่าช้างมา้าโคกแก้วมณีกุนทนและแก้วอื่นใดที่มีอยู่ในแผ่นดินของพระองค์บัณฑิตมีนามว่าวิทุระเป็นแก้วอันประเสริฐกว่าทรัพย์เหล่านั้นข้าพระองค์ชนะพระองค์แล้วโปรดพระราชทานวิทุระบัณฑิตแก่ข้าพระองค์เถิด บรรดาคํำเหล่านั้นข้อว่าข้าพระองค์ชนะพระองค์แล้วโสเมชิโตความว่าก็ข้าพระองค์ชนะพระองค์แล้วรัตนะอันสูงสุดเป็นอันข้าพระองค์ชนะพนันได้แล้วและวิทุระบัณฑิตก็เป็นผู้ประเส ร, ริฐกว่ารัตนะทั้งปวงเพราะฉะนั้นเป็นอันชื่อว่าข้าพระองค์ชนะพันันได้วิทุระบัณฑิตแล้ว พระองค์โปรดจงพระราชทานวิตุระบัณฑิตแก่ข้าพระองค์เถิดพระราชตรัสพระคาถาว่าวิตุระบัณฑิตนั้นเป็นตัวของเราเป็นที่พึ่งเป็นคติเป็นเนกาะเป็นที่เร้นและเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของเราท่านไม่ควรจะเปรียบวิตุระบัณฑิตนั้นกับทรัพย์ของเราวิตุระบัณฑิตนั้นเช่นกับชีวิตของเรา คือเป็นตัวเราบรรดาคาเหล่านั้นข้อว่าวิธุระบัณฑิตนั้นเป็นตัวของเราอัตตาจะเมโสความว่าก็วิธุระบัณฑิตนั้นชื่อว่าเป็นตัวของเราและเราได้พูดแล้วว่าเว้นตัวเราเวตฉัดและอัครมเหสีเสียนอกกนั้นเราให้แก่ท่านเพราะเหตุนั้น ท่านอย่ายึดวิทุระบัณฑิตนั้นไว้และวิทุระบัณฑิตนั้นไม่ใช่เพียงแต่เป็นตัวของเราอย่างเดียวโดยที่แท้วิทุระบัณฑิตนั้นทั้งเป็นที่พึ่งเป็นคติเป็นเนกาะเป็นที่เร้นและเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของเราอีกด้วยข้อว่าท่านไม่ควรจะเปรียบวิทุระบัณฑิตนั้นกับทรัพย์ของเราอสันตุเลโยมามะโสทเนนะ ความว่าท่านไม่ควรเปรียบวิทุระบัณดิตกับด้วยรัตนะเจ็ประการพุญกะยักษ์กล่าวคาถาว่าการโตเถียงกันของข้าพระองค์และพระองค์จะพึงเป็นการช้านานขอเชิญเสด็จไปถามวิทุระบัณดิตกันดีกว่าให้วิทุระบัณดิตนั้นแหลชี้แจงเนื้อความนั้นวิทุระบัณดิตจะกล่าวคาใด คำนั้นจงเป็นอย่างนั้นแก่เราทั้งสองบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าชี้แจงเนื้อความนั้นวิวรัตุเอตมัดถังความว่าขอวิธุระบัณฑิตนั้นนั่นแลจงประกาศเนื้อความนั้นว่าท่านเป็นตัวของพระองค์หรือไม่ข้อว่าคำนั้นจงเป็นอย่างนั้นแก่เราทั้งสองโหตุกถาอุพินนัง ความว่าถ้อยคําที่วิธุระบัณฑิตกล่าวนั่นแลจงเป็นประมวลแก่เราทั้งสองพระราชาตรัสว่าแน่มาโนบท่านพูดจริงแท้ทีเดียวและไม่ผุนผันเราไปถามวิธุระบัณฑิตกันเถิดนะเราทั้งสองคนจงยินดีตามคําที่วิธุระบัณฑิตพูดนั้นบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าแน่ มานบและไม่ผุนผันณจะมานวะสหสังความว่าท่านอย่าได้กล่าวคมเอาด้วยความผุนผันก็แลพระราชาครั้นตรัสอย่างนี้แล้วทรงร่าเริงพระทยัยพาพระราชาหนึ่งรหนึ่งพระองค์และบุญนกะยักเข้าไปโรงธรรมสภาโดยเร็วบิดุระบัณฑิตลงจากอาสนะ ถวายบังคมพระราชาแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นปุณกะยักษ์เจรจาปราศัยกับพระมหาสัตว์ว่าข้าแต่บัณฑิตเยติศั์ของท่านได้ปรากฏไปในสากลโลกว่าท่านตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่พูดเท็จแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเช่นนี้ ก็ข้าพเจ้าจักทราบความที่ท่านเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมได้ในวันนี้แลแล้วกล่าวคาถาว่าเทวดาทั้งหลายย่อมรู้จักอมาตย์ในแคว้นกุรุรัตชื่วิทุระบัณฑิตว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมจริงหรือการบัญญัติชื่อว่าวิทุระในโลกนั้นท่านเป็นอะไรคือเป็นทาตหรือเป็นพระประยุรยาตของพระราชา บรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าเทวดาทั้งหลายย่อมรู้จักอมาตในแคว้นกุรุรัตชื่วิทุรบัณดิตว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมจริงหรือสัจจังนุเทวาวิทหูปุรูนังธรรมเมถิตังวิทุร น, นามะมัตจังความว่าข้าพเจ้าขอถามว่าเทวดาทั้งหลายเรียกคือกล่าว ประกาศอย่างนี้ว่าอมาตชื่อว่าวิทุระบัณดิตในแคว้นกุรุรัตตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่พูดมุสาแม้เหตุแห่งชีวิตเทพเหล่านั้นเมื่อทราบชัดอย่างนี้กล่าวแต่คำจริงหรือว่ากล่าวแต่ความไม่เป็นจริงเท่านั้นแหลข้อว่าการบัญญัติชื่อว่าวิทุระในโลกนั้นท่านเป็นอะไรวิทุโรติสังคยา กตะโมสิโลเกความว่าชื่อของท่านปรากฏอยู่ในโลกว่าวิทุระท่านนั้นเป็นใครขอจงบอกคือเป็นทาตเป็นคนชั้นต่ำหรือเป็นคนเสมอกันหรือยิ่งกว่าหรือเป็นพระประยุรญาติของพระราชาคำที่เราถามมาแล้วนี้ท่านจงบอกแกเราก่อนว่าท่านเป็นทาต หรือเป็นพระปยุระยาตของพระราชาลำดับนั้นพระมหาสัตดําริว่ามานบนี้ถามเราอย่างนี้เราจะบอกเขาว่าเราเป็นญาติของพระราชาเราเป็นคนสูงกว่าพระราชาหรือไม่ได้เป็นอะไรเลยของพระราชาเช่นนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าชื่อว่าที่พึ่งในโลกนี้ จะเสมอด้วยคำจริงย่อมไม่มีเราควรจะพูดคำจริงเท่านั้นเพื่อจะแสดงว่าแนมานบข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพระปยุรญาตของพระราชาและไม่ได้เป็นคนสูงกว่าพระราชาแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นทาสคนใดคนหนึ่งแห่งทาทสี่จำพวกจึงกล่าวสองคาถาว่าในมูลนรชนทาสมีสี่จำพวก คือทาตครอกทธาตในเรือนเบี้ยจำพวกหนึ่งทาตไทยจำพวกหนึ่งทาตที่ยอมตัวเป็นข้าเฝ้าจำพวกหนึ่งทาตเฉลยจำพวกหนึ่งแม้ข้าพเจ้าก็เป็นทาตโดยกำเนิดแท้ทีเดียวพระราชาจงมีความเจริญก็ตามความเสื่อมก็ตามแม้ข้าพเจ้าจะไปยังที่อื่นก็คงเป็นทาตของสมมุติเทพนั่นเองท่านมานพพระราชา เมื่อจะพระราชทานข้าพเจ้าให้เป็นข้าพนันแก่ท่านก็พึงพระราชทานโดยชอบธรรมบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าทาตครอกอามายะทาสาได้แก่ทาที่เกิดในท้องของนางทาสีผู้มีสามีเป็นทาตข้อว่าทาตที่ยอมตัวเป็นข้าเฝ้าสยังปิเฮเกอุปยันติทาสาความว่า คนเ่าใดเหล่าหนึ่งเป็นชาติคนรับใช้ทั้งหมดนั้นชื่อว่าทาตผู้เข้าถึงความเป็นทาตเองคำว่าทาตเฉลยพยาปนุนนะาความว่าคนผู้เป็นเฉลยถูกไล่ออกจากที่อยู่ของตนโดยราชภัยหรือโจรภัยแม้ไปสู่แดนแห่งฆ่าศึกก็ชื่อว่าเป็นทาตเหมือนกันข้อว่า แม้ข้าพเจ้าก็เป็นธาตุโดยกาเนิดแท้ทีเดียวอัธาหิโยนิโตอหังปิทาโสความว่าแน่มนบแม้เราก็เป็นธาตุเกิดจากกาเนิดธาตุเองรวมอยู่ในกาเนิดธาตุสี่จำพวกโดยส่วนเดียวแท้ๆข้อว่าพระราชาจงมีความเจริญก็ตามความเสื่อมก็ตามพระโวจะรัโยอะระโวจะ ความว่าความเจริญหรือความเสื่อมจงมีแก่พระราชาก็ตามข้าพเจ้าไม่สามารถจะพูดเท็จได้เลยคําว่าแม้อย่างที่อื่นปรังปิความว่าข้าพเจ้าแม้ไปสู่ที่ไกลก็ต้องเป็นทาตของสมมุติเทพอยู่ตามเดิมคําว่าพึงพระราชทานทัตชาความว่า พระราชาสละข้าพเจ้าโดยทรัพย์ที่ผู้ชนะพึงนำไปเดิมพันประธานแก่ท่านก็พึงพระราชทานโดยชอบธรรมคือโดยความเป็นจริงนั่นเองปุณกะยักษ์ได้ยินดังนั้นก็ยินดีร่าเริงปรบมืออีกแล้วกล่าวคาถาว่าวันนี้ความชนะได้มีแก่ข้าพระองค์เป็นครั้งที่สองเพราะว่าวิทุระบัณฑิต ผู้เป็นปราชอันข้าพระองค์ถามแล้วได้ชี้แจงปัญหาอย่างแจ่มแจ้งพระราชาผู้ประเสริฐไม่ทรงตั้งอยู่ในธรรมเนอไม่ทรงยอมให้วิธุระบัณฑิตผู้กล่าวดีแล้วแก่ข้าพระองค์บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าพระราชาผู้ประเสริฐราชาเศรษโถความว่าพระราชาผู้ประเสริฐนี้ไม่ทรงตั้งอยู่ในธรรมนอ คำว่าผู้กล่าวดีแล้วสุภาษิตังความว่าอันวิทุระบัณฑิตกล่าวดีแล้วคือวินิจฉัยดีแล้วด้วยคําว่าไม่ทรงยอมให้แกข่าพระองค์นานุชานาสิไมหังคุนญ ก, กะยักกล่าวว่าเพราะเหตุไรพระองค์จึงไม่ยอมให้วิทุระบัณฑิตแกข่าพระเจ้าพระองค์ไม่ให้เพื่ออะไร พระราชาได้ทรงสดับดังนั้นทรงโทมมนัสว่าวิทุระบัณฑิตนี้ไม่เห็นแก่ผู้มีอุปการะคุณผู้ให้ลาบให้ยศเช่นเราเห็นแก่มานพที่พึงเห็นกันเดี๋ยวนี้แล้วทรงพิโรธแก่พระมหาสัตตร์ตรัสกปุณกะยักษ์ว่าแน่มานพถ้าวิทุระบัณฑิตเป็นทานท่านจงเอาเขาไปเสีย ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาว่าแน่ ä, กัจจานะถ้าวิธุระบันดิตชี้แจงปัญหาแก่เราทั้งหลายอย่างนี้ว่าเราเป็นทาตเราหาได้เป็นญาติไม่ท่านจงรับเอาวิธุระบันดิตผู้เป็นทรัพย์อันประเสริฐกว่าทรัพย์ทั้งหลายพาไปตามที่ท่านปรารถนาเถิดบรรดาคำเหล่านั้นข้อว่า ถ้าวิทุระบัณดิตชี้แจงปัญหาแก่เราทั้งหลายอย่างนี้เอวันจะโนโสวิวะเรถะปัญหังความว่าพระราชาตรัสว่าถ้าวิทุระบัณดิตฉเฉลยปัญหาอย่างนี้ว่าเราเป็นทาสหาได้เป็นญาติไม่เลยขอท่านจงรับเอาวิตุระบัณดิตผู้เป็นทรัพ์อันประเสริฐกว่าทรั์ทั้งหลายในสากลโลก พาไปตามปรารถนาในบริษัทมนทนของท่านเถิดอักขกันจบ